นอกจากใช้เงินและทองให้เป็นประโยชน์ส่วนตนและเป็นประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้เ้าเรียกว่าหน้าดีแต่ใจด้านขอให้ท่านนังหลายเลือกเอาอย่างหนึง่งจะยอมหน้าด้านแต่ว่าใจดีไม่ใจะเอาหน้าดีแต่ใจด้านกันถ้านนังหลายจงอย่าลืมว่าถ้าเราตายไปแล้วร่างกายขึ้นหน้าก็ดีตัวก็ดีมันไม่ได้ไปกับเราด้วย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 ชาวสวัยก็ต้องการความสะอาดเราอยู่ไม่ได้คนสุปรกต้องไปอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่คือในนรกหรือเป็น เ, เปรตแปลสุรกายเป็นสติไรฉานนี่เขามันดาเพื่อนเบสุสมันเลนทั้งหลายพากันวินิจใัยตามนี้แล้วก็เลือกปฏิบัติเอาแต่สำหรับผมเนี่ยยอมรับปอบผมหน้าด้านแน่ในเรื่องการรับเงนรับทอง แในใจของผมผมไม่ยอมด้านในเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่ยอมเอาเงินทองที่เขามาถวายไปทําเป็นประโยชน์ส่วนตนซื้อไร่ซื้อนาซื้อบ้านให้เขาเช่าอะไรพวกนี้ผมไม่มีออกเงินให้กู้ผมไม่มีได้มาเท่าไรเหลือกินเหลือใช้สร้างฐานบารวัตถุในพระพุทธศาสนาไล่ความประดวกกักบบรรดานักบุญทั้งหลาย อย่างนี้ผมยอมหน้าเสียแต่รักษากำลังใจของผมที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ยกย่องตัวเองพูดตามความเป็นจริงทู่าาจารย์แท้งกับปฏิบัติมาแบบนี้เรื่องเลายเหล่านี้มันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้แล้วทำไมเราจึงจะมาทำหน้าดีใจเสียนพื่อประโยชน์อะไร พระพุทธเจ้าทรงกล่วว่มโนปุพังขมาธรรมามาโนเสรษฐามาโนวิยาทำทั้งหลายมีใจไปหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดเสื่อมเละใจถ้าใจของเราเลวแต่ว่าหน้าดีมันจะมีประโยชน์อะไรสู้ทําหน้าของเราให้เป็นหน้าด้านใจสะอาดดีกว่าหน้าสะอาดใจด้านเลือกกันเอานะผมไม่ได้บังคับ ยังไงยังไงก็บวดเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราเป็นปูชนียบุคคลอย่าหลอกลวงชาวม้หนคนเลยบรรดาเพื่อนทั้งหลายนี่ต่อไปสิค้ามบททีเก้าพิสุทาการซื้อขายด้รูปียะคือของที่เขาใช้เป็นทองและเงินต้องอัมบัติสกีปาจิตีนี่การขายข้าวขายของการค้าไม่มีสมัติพระ แต่ว่าเว้นไว้แต่ว่าเราจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาให้ชาว บ, บ้านนำไปบูชาแล้วก็บอกเขาเลยว่าเราจะนำสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์อะไรแล้วว่าทำไปตามนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าค้าขายเพื่อหาผลกำไรเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวแต <c oughs> ่ว่าสมัยนี้มีความนิยมกันมาก ไปวัดไหนก็อยากจะได้พระบ้างได้เหรียญบ้างได้พยัญชนะบ้างวันนีพระก็ต้องทําไวเพื่อเป็นการรวบรวมกําลังใจสร้างกําลังใจของบรรดาพุทธบริษัทแต่ว่าเงินที่ละทอนที่เราได้มาอย่าเอาไปซื้อไล่ซื้อนาให้เขากู้อย่าไปสร้างประโยชน์ส่วนตนเอามาทําไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เรีกว่าทำบุญดีกว่ายาไปทำโทษกันเลยเพราะว่าพอไปได้แล้วเวลาที่สร้างของแจกแก้บัดนดาท่านพุทธบริษัทกันหลายให้เขาทำบุญเป็นเงินแล้วย่าหักค่าของให้มันแพงเลยไปนักเคยเห็นรับของหนึ่งองค์ให้เขาทำบุญเท่านั้นเท่านี้แล้วก็หกักห้าสิอร์เซนต อย่างนี้มันเกินพอดีบรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่าถ้าทำแล้วเงินทองที่ทําทำมาเป็นเป็นของชาวบ้านได้มาเท่าไรเงินทั้งหมดนั้นเราสร้างฐาวรวัตถุก็สร้างความสะดวกในการบาเพ็ญกุศลดีกว่าถ้าจะเอาทุนส่วนนั้นไปสร้างวัตถุบูชาขึ้นมาอีกเราก็ทาได้ เมื่อผลมันเกินกว่าเท่าที่เราทุนลงทุนไปก็นําไปสร้างสถาวัาวัตถุเพื่อให้ความสะดวกในการบรําเพ็ญกุศลถ้าเมื่อในการที่จะก่อสร้างวัตถุบูชาไม่มีก็โลอะต้นทุนทําให้หมดไปเลยเงินส่วนนี้เหลืออยู่เป็นทุนเดิมจงอย่าคิดว่าเป็นของเราจงคิดว่าเป็นของพระพุทธศาสนาเมื่ิทีขาบทีสิบที่สุดแลกเปลี่ยนเสียงของกับเครือขัด ต้องนิสสีปาจิตีนี่เคยพบพระสบงเจวอนอัม บ, บัตเป็นแรลกชาบ้างแหลกอของที่เราต้องการบ้างอันนี้กันห้ามจงอย่าทำอย่างนั้นขึ้นชอวะแรกกันก็เลิกกันเส้นเลยดีกว่าด้วยเหตุนานาประการเรามีสร้อยทองคำเขามีนาฬิกาข้อมือหรือเขามีนาฬิกาข้อมือเรา ต้องการเปร็นเงินแลกกันไปแลกกันมาประเภทนี้พระพุทธเจ้าฉันว่าไม่ดีนิสค้าหมดนี้ก็ขอให้ท่านนันยลรับฟังเข้าไว้ว่าประโยชน์ที่มันจะพึงได้นะ่ะมันไม่มีมันมีแต่ส่วนเสียตอนนี้เรามาคุยกันต่อไปถึงวรที่สามแห่งนิสกีปาจิตตี เขาเยอะกล่าวแต่เยอะย่อแต่สิ่งที่จำเป็นจะต้องอธิบายก็อธิบายใน ข, อขอ้อข้อศีรษาบทตีหนึง่งบาทนอกจากบาทอธิฐานเรียกว่าอติเลกบาทอธิเลกานี่คเขาวระาเกินเกินหนึ่งลกูกอธิเลกบาทพิสุเ์เก็บไว้ได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าเร่วงสิบวันไปแล้วต้งบัตรนี้จะีไปจิตี มาตรเรามีได้ลูกเดียวถ้าบังเอิญมันมีเกินกว่าหนึ่ลูกมันเกินไปจะเก็บไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะถือซื้อสิทธิเป็นเจ้าของได้เพียงไม่เกินสิบวันถ้าเกินสิบวันท่านบอกว่าเป็นําบัตรที่สกีไปจิตตีเราก็ทํานี้กลับซืก็แล้วกันแล้วไม่อย่างนั้นก็ไปให้เพื่อปรยนส่วนกลางเขาไว้ไม่รักษาไว้เป็นส่วนตนมันก็หมดเรื่อง คำวมาวีกัดก็คือวีกัดเป็นของสองเจ้าของแต่ว่ากัด้ดยคนอื่นรู้ว่ามีบาตรผมมีเกินเข้าแล้วเนะครับท่านลหลายรับทราบไปด้วยเมื่อรับทราบแล้วก็จงรู้ไว้ว่าถ้าหากว่าของผมแตกของเก่าแตกมาไลยใช้ไม่ได้ผมจะเปลี่ยนอย่างนี้ผมว่ามันก็ยังมีจิตใจเข้าไปยึดถือไปการ เราเอาก็ยังนีดีกว่ามันมีเกินไปเข้าไปไว้เป็นส่วนกลางเป็นของสงเพราะว่าใครเขาไม่มีเขาหมดที่มันเขาไม่มีจะใช้จะได้นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ที่นี้คือขามบทที่สองพิสุมีบาดราวยังไม่ถึงสิบนิว้วขอบาดใหม่แต่เครือขัดที่ไม่ชีญยอดไม่ใช่ปรบารณาได้มาตรงอีสกีปาจิตีคำว่าญาติ เราก็ทราบอยู่แล้วนับเราเป็นหนึ่งจะนับจากเบื้องต่าไปหาเบื้องสูงคือว่ามีพ่อแล้วก็ปู่แล้วก็พวดเป็นเจ็ดชั้นนะถ้านับถอยหลังไปจากเราก็ลูกหลานเหลนอย่างนี้ได้ว่าญาตนี้ถ้าเขาไม่ใช่ญาติเขาต้องะวชนาตัวไว้ ก็ขออะไรก็ขอได้ขอรับอย่างนี้จะขอได้ตามที่เขาบอกตอนนี้ถ้าจะถามว่าพ่อตาแม่ยายถ้าราบทแล้วมีเมียแล้วก็พัญญาเแล้วพี่สะพายที่เคยเป็นญาติดหรือเปล่าอย่างนี้ต้องถือว่าท่านผู้นั้นไม่สิยาติถ้าเขาไม่บอกไม่ญาตให้ขอไว้จะรับไม่ได้จะไปขอเขาไม่ได้ นี่ต้องจำไว้นะนี่เข้าใจว่าจำได้แล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรสามดินสุรและเกณฑ์บรษัตห้าคือนอยใสยน้ข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วเก็บไว้ฉันได้เพียงเจ็ดวันเป็นอย่างยิง่งถ้าให้เกินเจ็ดวันไปต้องบัตินิสทีปาจิตีที่ขาบทนี้พระพุทธเจ้าถึงเกรงว่า ของจะโบจะเน่าจะเสียมีพระพุทธเจ้าทรงมีอนมามัยดีคมานิสกีนี่ของต้องทิ้งไปตัวเป็นอันบัดปายจิตีปายจิตีปละวจิ ต, ปจ ต, ปจตเป็นบาปเราะวิจิ ต, จตชั่วที่ข้าบทที่สี่เมื่อฤดูร้อ น, อนอยังเหลืออยู่อีกเดือนหนึ่งตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือนเจ็ดยังแสวงาหาพระอาทิาผลได้ เมื่อดูดูล่อนเหลืออยู่อีกกึ่งเดือนคือตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งเดือนแปดเพียงทำนุ่งห่มได้ถ้าแสวงหาหรือทำนุ่งให้ล้ากว่ากําหนดนั้นเข้ามาคือยังไม่ถึงกลางเดือนแปดที่จริงคือว่ายังไม่ถึงขึ้นค่ำหนึ่งเดือนแปดตามบัตรนิสกีปาจิตีข้อนี้เพราะว่าไม่เป็นบัดจนแล้วกันมัน้งก็ว่า ในลานี้ชะบายก็หาให้นีเราไมา่ได้หาเองแล้วก็จำไว้กันแล้วกันเพื่อว่าเราจำจะต้องหาที<ม>่หาพิสุให้จีวรแกพิสุอื่นแล้วโกรธชิงเอามาเองก็ดีใชใ้ผู้อื่นชิงเอามาก็ดีต้องอาบัติให้สกีปาจิตีนี่ความยากของจิตบรรดาเพื่อนที่รักไอ้จิตพวกเรามันบาก เพราะอะโกรธมันบาปตกรธนี้ไม่ใช่ตัวดีมันเป็นตัวบาปถ้าเราเกิดแล้วชีงเรกลับคืนมามนก็บอกว่าเป็นอับัตินิสกีปาจิตีนี่เสียงอะไรมันก็แก๊กก็แก๊กก็โปรธแสบอผมมันทึกเทสเล็กเลยมันมันหมดก็เลยกลับหน้ามันใหม่อาท่านอาจจะสงสยัยไม่ได้ขึ้นนกปืน เออไม่ไดี ม, มีเปลี่นผาหน้าไม้กับเขาหรอกให้เครื่องมันทึกเล็กเ้าให้มาก็เลยซ้อมๆว่ามันจะใช้ได้ผลดีเพียงใดหรือไม่เพราะว่าคัดเศษกระเพื่อาฐานมันเล็กมากเกินไปแน่ใจโ ก, กรธในคราไม่ควรจะมีนะโกรธมันเป็นความทั่วไม่ควรจะมันปรากฏมีขึ้นอยู่ในจิตของเรา ถ้าเกลือด้วยชิงาคืนมาเองก็ดีใช้ผู้อื่นชิงามาต้ง น, นิสกีปาจิตตีอันนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะไม่มีอะไรมากผมจะพูดให้สันส้นๆท่านหลายจะได้จำได้โอปิสุคอนได้แหลกครหัสที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปะบรณนาเอามาให้จ้หหกทอเป็นจีวรนต้งนินนสกีปาจิตตีนี่ก็เหมือนกัน ไปขอได้เข้ามากับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาจะขอมาทําไมกันเล่าญาติเขาเอามีปวารณามีก็อย่าลืมเรื่องเขาขอนี่รู้สึกว่าผมเคยเห็นพระบางองค์ก็รุ่มร่มคืนไปถ้าตาไม่ใสของผมว่าถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนะอย่าขอคนเลยแม้แต่ญาติคนดีปวารณาคนดี พระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิสุต้องทำตนเป็นคนเรียบง่ายถ้าปุโ ป, ปะปะปะอะไรไมันก็ใช้ได้ถ้าเกินวิสัยจริงๆจึงควรขอแต่ต้อขอเฉพาะญาติกับปรวรณาเท่านั้นสีขาบทีเจตกระหัสที่ไม่ไญาติไม่แก่ปรวรณาสั่งให้แช่างหูกทอจีวอนเพื่อถาวายแก่พิสุถ้าพิสุเป็นกําหดในเขาทำให้ดีขึ้น ด้วยจะให้รางวัลแก่เขาต้องนิสสีปยิ่ปีนี่ก็ชัดอยู่แล้วเนี่ยอย่าทำแบบนั้นมันเลวศีค้าบที่แปดไท่สิบวันจะถึงวันปรวรณาคือวันออกพรรษาคือตั้งแต่ขึ้นหกค่ำเดือนสิบเอ็ดถ้าทายกกรีดถาวายผ้าจำนำบรรษาคือผ้าสบงนะ่ะที่เวลาเขาถาวายเวลาออกพรรษาก็ไเรียกว่าผ้าจำนำบรรษาก็รับเก็บไปได้ แต่ถ้าเก็บไว้เกินการจีวอนไปคือเกินกลางเดือนที่สองต้องนิจคีปฏิตีการยีวอนนี่มีดังนี้ถ้าจำบรรษาแล้วไม่ได้รับกระถิญนับตั้งแต่วันปวรณาไปหนึ่งเดือนคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอดถึงกลางเดือนทีสองถ้าได้กลายกระถินนับตั้งแต่วันปวรนาไปห้าเดือนคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสี่ มีสีขาวบดีก้าววิสุจมังสาในเสนาสนะป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวออกังสาแล้วอยากจะเก็บไตรจีวรพืน้นใดพื้นหนึ่งไว้ในบ้านเวลานั้นไม่มีวัดมันมหาวัดแยกอยู่ที่เปลี่ยวป่าชาวบ้านเขาไว้เมื่อมีเหตุก็เก็บไว้ได้เพียงหกหกคืนเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้เกินหกคืนต้องเปน็นต้องบัติสกีปเบญจีวเว้นไวแต่ได้สมมติ สมมติไมหมายความวาประสงค์ไปชุมกันสมมติให้ทําอย่างนั้นได้เพราะว่าท่านป่วยนี่ก็ใจจริงให้ผ้าที่ฝากเขาไว้เนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาหายหกตกหล่นไปสมัยนั้นเราหาผ้ายากพระวิญญาณเจ้าจึงได้ทรงกาหนดด้วยตามนี้ถ้าก็เลยสิกขาบทเดียว พิษแข็งบทที่สิบพิสุรู้อยู่เลน้อมลาดที่เขามาถวายสงเพื่อตนเจาบัดนิสกีไปตีอารมณ์นี้อารมณ์นี้มันโลกเกินไปนี่มันดาเพื่อนราธรรมิกาทั้งหลายเขาจะถวายสงบอกว่านี่ถวายฉันดีกว่าจะ้ะมันมีบุญวาสนาบรารมีมากนี่เป็นไปแต่เพีงว่าถ้าเขาเอามาถวายเรา แต่เราแนะนําเอาเข้าเป็นส่วนกลางเถิดดีอย่างนี้เราได้เป็นบุญแต่ถ้าหากก็ว่าเขานํามาเพื่อถาวายสงเราแนะนําให้เขามาถาวายเป็นส่วนตัวอย่างนี้มันเป็นความโลภมันเป็นของไม่ควรในขอท่านนังหลายเพื่อทราบว่าคําว่าปาจิตตีอบัตที่เป็นปาจิตตีนี้ท่านนังหลายอย่าลืมมันมีโทษหลายระดับ ถ้าหากว่าท่านละเมิดสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งก็พึงทราบว่าสิ่งของท่านมันไม่ครบสองร้อยี่สิบเจ็ดเราจำกันไม่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันว่าถ้าเราละเมิดสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งสินเราไม่ครบสองร้อยี่สิบเจ็ดนนเราจะไปนั่งคุยกระชับบายเขายัยยางไงว่าเราเป็นผู้มีสิ่งครบสองรอยี่สิบเจ็ด นี่ขอบรรดาท่านงหลายโยสังวรให้ดีเรื่องของสงฆ์นี่พยายามอย่าแตกต้องเราอย่าเป็นคนโลภ ก, การทําอย่างนั้นพระสอนให้เจ้าบ้านเขาเสียสละแต่ว่าพระกลับมาเป็นคนโลภโมโทสันเสเองนี่มันจะดีตรงไหนนี่สาหรับด้านพระวิในัยในสิกขาบทนี้ทั้งหมดท่าละเมิดจะสแสดงบัดคือร่ายายความทั่วของตัวกับสอง ก็ต้องประกาศเป็นภาษาไทยไๆแล้ว ก, ก่อนที่จะประกาศาความชั่วระงับโทษก็จะต้องเสียสละคือโยนของนั้นทิ้งไปเรียกว่าไม่ถือเป็นของเราต่อไปอีกได้ประกาศตนต่อสงในความจริงการประกาศตนแบบนั้นไม่ใช่ว่าบทอาบัตหมดไปจากเราอาบัตนังไม่หมดแต่เป็นยับยังความชั่วเดิมอย่าลืม ถ้ากล่าวว่านปุณนีวังกฤตสามิข้าพเจ้าจะไม่ทาอย่างนี้อีกนับปุณณีวังพาดิสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีกนัปุณนวังจินตยิตสามิข้าพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกตัวนี้อย่าลืมเวลาแสดงวัตถ้าเราละเมิดแล้วครั้งหนึ่งอย่าละเมิดเป็นครั้งที่สองเพราะว่ารีบสิกไปเสียดีกว่า อย่าอยู่เลยเอาดีไม่ได้ฉะนนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งบรรดาเพื่อนสาธรรมมิกะทั้งหลายท่านพิจารณาตัวของท่านเองหรือเปล่าเมื่อไรบ้างที่เป็นระเบียบปฏิบัติเป็นพระบินัยนก็ดีหรือ ว, ว่าธรรมะก็ดีหรือระเบียบปฏิบัติของสำนักเกือในสมาคมและสังคมที่เราอยู่ก็ดี ถ้าเขาระกาศมาแล้วนี้เราลืมมีบ้างไหมถ้าปรากฏว่าเราลืมก็สแสดงว่าสัญญาของเราใช้ไม่ได้ถ้าเราลืมเสรแล้วเราจะอะไรไปประพฤติปฏิบัติเพราะวัดปฏิบัติในสีข่ขาบทนั้นในระเบียบต้นนั้นของเรามันก็ไม่มีถ้าเราเป็นนักลืมอย่างนี้จงทราบตัวเราเลวเกินไปสำหรับพระพุทธศาสนา ตอนนี้ถ้าเราจะมาวัดกันว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนเลวก็ดูการรับคําสั่งหรือว่ารับคําสอนใครก็สั่งไปแล้วคนดีสอนไปนแล้วคนดีหรือว่ามีตํำรับตําราสําหรับดูดูแล้วจําได้หรือไม่ได้ถ้าจําไม่ได้คนเลวเกินไปขันยาเสียหรือว่าสติสัมปชัญญะไม่ดี อย่างนี้ก็ถึงแม้ว่าเป็นคณะวายกรรงนรกต่นี้ถ้าจำได้สัญญาดีแต่เราไม่ปฏิบัติตามก็แสดงว่าเราเป็นคนใจด้านถ้าใจด้านสิ่งอย่างเดียวหน้ามันก็ด้านทั้งตัวมันก็ด้านหมดถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็ถึงทราบว่าเราเลวเกินไปสาหรับหมู่คนที่มีความดีมเช้นเกของพระพุทธศาสนา มีขอตัา้งนนหลายจนเรามัดระวังตัวคือตั้งใจศึกษาพระปริยัติที่องค์สมเด็จพระทรงเสวยทรงสอนไว้แล้วก็ปฏิบัติตามความสงบสงัดจากิเลสไม่ยิ่งจะเกิดไม่ใช่ว่าเรามาบวชอยู่ในศ า, าสนายขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามันจะมันนอนพักกันแบบสบายสบาย อย่างนี้มันไม่ถูกถ้าเราคิดอย่างนั้นก็เตรียมกายเตรียมใจไว้ว่าตายคราวนี้เราลงนรกแน่มีเป็นความจริงตามกระแสที่พระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระบรมศรราสนารองสอนพระเดินนักพตเดินบรรดาประชาชนที่เขาจะได้ดีกันจะสังเกตได้ว่าเขาฟังครัง้งเดียวเขาก็จา จำแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราจะพิจารณาตัวเราเองว่าสิ่งที่เขาประกาศไปคนดีไม่ ว, ว่ามันเป็นกฎเบียบระเบียบบัญญัติที่เราจะเพิ่งรู้คนดีถ้าใครต้องเตือนเราทั้งสองวาระนั่นจงประนามตัวเองว่าเราชั่วเกินไปเสียแล้วไม่เห็สาวว่าข้อองค์สมเด็จพระบาทสิบแกวโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระธรรมบินยัย นักบวชทั้งหลายในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติเคร่งครัดอยู่เสมอจึงจะสมกับศักดิ์ศรีที่เรียกคําว่าพมจันทร์คำว่าพรหมจันท์แปลว่ามีความประพฤติอย่างประเสริฐเท่าที่จะแปลทับศักดิ์ว่าประพฤติเยี่ยงพรมหมอรรนดาท่านมาเพื่อนสาธารณมิกาทั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงทงนืนนี้เพราะว่าสัญญาณบอกหมดเวลามาเกิดแล้วสําหรับนิสสคีปาจิตีทั้งหมดขอให้ท่านหลายพึงกําหนดละเว้นผมอยากจะพูดว่าทุกสิษฐขาบทแล้วเวลาฟังก็ตั้งใจฟังให้ดีนะจะไปใช้คำมันลืมมาเผลอไปอย่าลืมทั้งเผลอทั้งลืมได้จําไม่ได้ไม่ได้ศึกษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สัง่งตรงปรับโทษประการทั้งปวง อาราสสำหรับวันนี้ก็ขอยุติวาทตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนสายธรรมนกขาดทางหลายสวัสดีนี่ต่อตอนนี้ไปสมววาว่าทั้งตัวบัตรปลาจิตีเก้าสิบสองนิท้าบทมีทั้งเก้าสิบสองแต่วาันจัดเป็นตอนตอนเป็นวักวักนี่ตอนที่หนึ่งหรือวักที่หนึ่งมีสิบสิค้าบทปลาจิตตีนี่ก็แปวจิตเป็นบาป มีโทษไม่เสมอกันกเราจะแยบบัรให้ตกไปได้แต่แผลโบมันไม่มันไม่เต็มขึ้นมาอย่าเป็นมันเลยดีกว่าหนึ่งพูดปดไปนำบัดตายจิตีถ้าทะเลวายเขามีสินหา่าเขายังไม่พูดปดถ้า้าไปพูดปดมันก็เลยไม่เจ็บขาเสุดก็เลยดีกว่าปายจิตีตัวนี้ลงนรกลงหนักกว่าเลวา ไม่ต่อที่บ่ายนะสองดาวิสุไปบำบัดตรรายดีิลง น, นรกเหมือนกันยังมีปลาทองตัวหนึ่งนี่เกิอชอบดาบะปากเสียตายแล้วเขก็คือนนตอนนี้เคยเป็นพระชอบดาบพะตายแล้วไปลงอาเวจีมหานารกกลับขึ้นมาเพราะอาศัยเคยเป็นพระมีสิงอยู่เป็นปลาสีทองเกิดสีทองสวยมาก เขานำม า, เ, าเขาจับได้นํามาถวายพระราชาพราแกอ้าปากขึ้นปากมันเบม่งคลุ้งมาไอของไอสวดตลบไปหมดเป็นอันว่าพอแกตอบคําถามเขาเท่านั้นแกก็ตายกลับไป เ, เวจีใหม่เห็นไหมให้ส บ, บายไหมจําให้ดีนะปาจิตตีนี่ยังกว่าเล็กน้อยนะลงเอาเวจีก็ยังได้ข้อที่หนึ่งไปนรก ถ้าโกหกนักก เ, เวจีเหมือนกันโกหกเบาๆไม่เป็นไรสามส่อเสียที่สุดต้อบัดไปยอยู่ดีซอเสียนี่คือยุให้เขาแตกกันให้เขาโกรธกันข้อนี้ก็ลงนรกมัน ล, ลงหนักซะด้วยถ้าะลงมาจะลืมนะแถะไปแถะมาตั้งเอเวจีเลยไม่เขาจะมีโอกาสพักหลุมตื่นๆกับเขาหรอก แต่ว่าพ้นอเวจีมาแล้วต้องผ่านนรกบริวารแล้มีโทษอะไรบ้างล่ะตายเต้าขึ้นมากว่าจะครอบป่ายขุมและกว่าจะถึงย ม, มโลกีนรกอิศิคุมต้อมาเป็นเปรตแป็สุกายเพ็สนสติเรชันรวมแล้วกว่าจะมาเป็นคนได้มาบทพระใหม่ก็เรียกว่าหลายแสงกลับ นับเป็นแสงกลับเถอะไม่ใช่จะไปนับเป็นกับกับเลยแต่แทบเปลดประลัละกประตูบัญชีบีเปิอย่างเดียวก็นับไม่ไหวอยู่แล้วนี่อย่าไปทามันนะสื่อวิสุขสอนทำแก่อนุปสมบัติว่าพร้อมกันต้อบัดบาทปฏิทีธรื่อว่ า, าอนุปสมบันินี่ก็มาถึงเมนหรือว่าครวาญผู้ชายผู้หญิงพะนี่ก็เรื่องอุปสมบัติ อนุปัสสับญบและก็หมายที่เร็มเนิงก็ตามพระว่าตัวหญิงผู้ชายก็ตามให้ว่าพร้อมกันที่ต่างคนต่างว่าไม่ได้นับหมายกันไม่เป็นไรไมันจะพร้อมกันชงอย่างนี้หลวงพ่อปานเคยบอกเ อ, อ้าตอนนี้ไปฉันจะนำแล้วต้องพระกัระว่าต่างคนต่างว่านะไม่ได้ต่างใชจว่าพร้อมกันคือไม่มีการนับหมายแต่ว่าพร้อมกันเป็นระเบียบแล้วก็ว่ากันไป ใครตอนนี้กว่าใครเ้ายะว่าดฟ้อมเราแล้วมันฟ้องว่าแข่งเราวาดตามระเบียบให้มันฟังสบายใจสบายอย่างนี้ไม่เป็นอันบัตรตามนี้อย่างที่เรานำจะเริยนมากรรมฐานนี้ต่างคนก็ต่างที่มาต่างคนต่างวาดแต่การว่ามันไม่เหลื่อมล้าต่ำสูงเป็นระเบียบแต่เราไม่ได้ต่างใจไปนัดหมายนี่แกต้องว่าอย่างนั้นนะแกยังว่าอย่างนี้นจะให้แหลมออกไปจะใ้ทุ่มมาจะให้มันยาวไปจะให้มันสั้นไป ใหต่างคนต่างรู้ว่าอะไรมันดีทําให้มันดีมันเกิดพร้อมกันอย่างนี้ไม่จะน้ำบัติตามนี้ข้อนี้รู้สึกว่าจะไม่หนักถ้าพลาดไปนิดเดียวก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเองเตี้ยไปเกิดเป็นเลยเราอยากเกิดเป็นหมาไหมล่ะดูหมาวัดติ้ง ก, ก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายจะสงเคราะห์ก็มันหนาวก็ไม่มีใครก็หมผ้าให้ มันร้อนก็ไม่นีใครก็อาบน้ําให้อยาจะกินอะไรมันก็ไม่เกิดสมหวังอยาจะกินให้อิ่มมันก็ไม่อิ่มก็หาเองไม่ได้สิขาบทนี้พลานแล้วก็เป็นสัตย์เันนี่ก็อห้า 5, ดาวยศูนนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกับอนุกฤษสมบัญิเกินว่าสามคืนขึ้นไปก็บัดไปดีตีนี่นักวินัยที่ตัดสินใจจิตคือนักนอกวินัยในชาวบ้านจะชอบปดนะัก ที่มองที่บางอันเดียวกันมีรังคาเดียวกันมีฝาเดียวกันห้องเดียวกันด้วยเป็นว่นสามคืนขึ้นไปต้างเป็นน้ำบัดปลาสิตติถ้าที่มึงอันเดียวกันที่บางอันเดียวกันมีฝากันกลายเป็นที่บางคนห้องนอนขนาดไหนมันก็ไม่เป็นนาำบัดจําไว้ตรงนี้นะอันนี้ก็ไม่เลือกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ นี่ก็ออกพิสุนอนในที่บุงที่บางอันเดียวเป็นกับผู้หญิงแม้คืนแม้ได้คืนแรกก็ต้องไป็นบัดตายหยีีนิ้หมายตาวดย่องเข้าไปในห้องเดียวกันเลยไม่เป็นเรื่องตกากันห้องเดียวก็หมดเรื่องกันไปก็ไมอยาก น, นี่ก็รู้แล้วเออสองที่าบบดินีโทษฉันไหน าการไหวเป็นขอนสมาธิแบบนี้เนะี่ยใจมันหมองตกมารกไหมน่ากลัวจะไม่ถึงกับตกมารกสี่ขั้วบทที่ห้ากับที่หกแต่ว่าใจมันหมองเมื่อใจมันหมองแล้วมันก็ทําไม่ถึงมารกมรคนไม่ได้ไม่ดีเว้นฉันเลยสี่ขั้วบทที่เจ็ดที่สุสดแสดงทำแกผู้หญิงเกินกว่าหกคากันไปต้องตายอยู่ดี นี่หมายถึงว่าถ้าไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยถ้ามีผู้ชายที่เป็นพระที่เป็นเนนที่เป็นเด็กก็ไม่เป็นไรนี่หมายาว่านั่งกัน